วันนี้ก็จะได้นำนั่งสมาธิฟังธรรมจากข้อปฏิบัติขององค์หลวงตาที่บันทึกไว้ในเครื่องบันทึกเสียงแต่ที่จะถึงตรงนั้นให้พวกเราทำหน้าที่ของพวกเรา ที่จะเป็นพื้นฐานของจิตใจพื้นฐานของจิตใจตรงที่ว่านี่คือทำใจของเราอยากให้มันมีความนึกคิดเรื่องกังวลอะไรมาก สัชนชตาญาณไม่ว่าจิตใจของใครละ่ะถ้ายังเป็นสามัญชนยังเป็นปุถุชนทุกท่านทุกองค์ทุกคนนั่นล่ละสิ่งที่ผ่านมาเรื่องอดีต น, นั่นเราไม่เข้าใจตรงนั้นถ้าเข้าใจตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมู่มนทคนเราเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างหนึ่งอดีตที่ผ่านมาสองปัจจุบันในขณะนี้สามอนาคตข้างหน้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้พวกเราใช้ความฉลาดจากหลักวิชาการที่พวกเราเรียนพวกเราศึกษา หลักวิชาการนั่นคือเรียนรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรตรงนี้ก็เห็นได้ชัดเลยอดีตที่ผ่านมาพวกเรากลัวจะได้มาบวชเป็นพระสงฆ์องค์เดนหรือแม่ขาวนางชีพี่น้องญาติโยมทุกท่านทุกคนนั่นละ ได้ผ่านจบประการร้อยแปดพันเรื่องเรื่องอดีตนะผ่านมาแล้วให้มาใช้ความฉลาดพระพุทธเจ้าสอนให้มาใช้ความฉลาดเลือกเอาอันใดที่มันเป็นประโยชน์เท่านั้นอันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์คิดแล้วมันทําให้เหนื่อยกายเหนื่อยใจ ต้องมาฝึกละฝึกปล่อยฝึกวางในเรื่องนั้นๆเอาปัจจุบันนะเหตุปัจจุบันนะผลปัจจุบันนธรรมเป็นหลักใจปัจจุบันในขณะนี้มันมีเรื่องอะไรไหมในสิ่งที่พวกเราคิดเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่พวกเราเคยนึกเคยคิดไหมมันไม่มี มันมีแต่บรรยากาศธรรมชาติความสงบงบเงียบตามถรำเหือมผาป่าเขาลุกกมลลมไม้ร้มกลางของความเงียบพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เป็นความเงียบสงบความเงียบสงบเนี่ยจะทำให้ใจของพวกเรามีกำลัง กำลังอะไรกำลังความเป็นธรรมคือสติธรรมที่พวกเราละลึกขึ้นมาได้ในนี้ขณะนี้นนก็พ่อใสกกำลังสติรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรสติเครื่องละลึกรู้ตรงนี้อ่ะ เอาปัจจุบันในขณะนี้มันเป็นลักษณะความเงียบแต่ให้เป็นความเงียบสงบเย็นอกเย็นใจสดขึ้นลื่นเลงยิ้มแย้มแจ่มใสภายในใจิตใจภายใต้ความสำเนึกส่วนเลิกของหัวใจของเรานั่ยนะให้เป็นอิสระรู้จัก การละการปล่อยการวางฉะนั้นการฝึกนั่งสมาธิพราพุทธเจ้าตรัสจะรู้รู้แล้วสอนบรรดาสาวกสาวิกาขั้งพุทธการบรรดาท่านเหล่านั้นปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นปลรหรันเจียตใจของแต่ละท่านแต่ละองค์ ผ่านพ้นจากอารมณ์ความเป็นทุกข์จะมากจะน้อยอารมณ์ประเภทนั้นมันเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอารมณ์ของตัณหาบรรดาสงสาวกสาวิกาเหล่านั้นทามกลางท่ามกลางข้องควมเยี่ยบเนกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ทําใจให้เป็นสมาธิ ทำใจให้มีความสงบจะเอาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสตรุพระองค์พระพุทธเจ้าตรัสตรุนโยบายเอาออกจากความเป็นธรรมชาติอันนั้นคือลมหายใจเข้าลมหายใจออก ตังส ต, ติดูเรียนรู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างนี้ลมหายใจออกเป็นอย่างนี้รู้สึกลมหายใจเข้ารู้จักลมหายใจออกอันนี้ที่รู้อย่างนี้ก็เพราะอาศัยความเป็นธรรมคือดสติธรรม ทำไมพระพุทธเจ้าจึงมาเรียนรู้เพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือกฎธรรมชาติถ้าไม่มีความสำนึกดูลมหายใจเข้าออกอเนกความนึกคิดน่ น, นะมันจะไปร้อยแปดพันเรื่อง รับรู้เรื่องอารมณ์ที่อดีตที่ผ่านมาร้อยแปดพันเรื่องเคสไปมากปีปัญหามากเคสไปมากวุ่นวายมากพระพุทธเจ้าจึงด้วยบุญยะบาลเมีเอาสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันในขณะนั้นว่าชีวิตของพงษ์ท่านอยู่ได้กับพราะลมหายใจนี่ ฉะนั้นลมหายใจเข้าออกนี่มีคุณค่ามากมายมหาศาลชีวิตจะอยู่ได้ก็เพราะลมหายใจดีเท่านั้นพระพุทธเจา้าด้วยบุญญะบารมีวิเคราะห์ตรงนี้ออกไปว่าถ้าเพื่อมากาหนดดลลูลมหายใจเข้าออกนอกจากเห็นคุณค่าของลมรักษาชีวิตแล้วน่าจะ มีสิ่งประเสริฐ ท, ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้อยู่กับลมเจนั้นดด้วยบุญญาบาละมีเนี่ยทำให้พระองค์ท่านตรัสตัดสินใจตั้งพระไทยดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกมันเป็นกฎธรรมชาตินี้เคยนึกเคยคิดร้อยแปดพันเรื่อง ความนึกความคิดะกะตรตงกตัวลงตงัวงบตัวลงต่อมอารมณ์ประเภท น, นให้มายอดอยู่ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกจนพระไทยของโปงท่านมีกำลังตั้งมั่นแล้วสมาธิพระไทยมีความสงบจิตใจมีความสงบเห็นความเป็นอัศจรรย์เนี่ ความเป็นอาศจรรย์ตรงนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจุินำมมาเทศสนาสอนมวลหมู่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายว่าสุขประเภทใดที่ชีวิตมนุษย์คนเราเคยได้ม า, มาเจอมาเจอเรื่องความสุขในชีวิตความทุกข์ประเภทนั้นน่ะจะมาเทียบเคียงกับความสุขที่ ใจมีความสงบเป็นสมาธิไม่มีแล้วในโลกกันเนี่ยและแต่นันดาบันดาสาวกสาวิกาเรียนรู้ตรงนี้มาฝึกมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนเห็นจริงแ จ, งจ้งไปจากเด่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้า ตราตรูแล้วมาสอนตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติเจตใจของแต่ละท่านแต่ละองค์นั้นเป็นสมาธิปีความสงออกแผ้นความสุขแบบธรรมชาติไม่ใช่จะเพราะจะดูลมหายใจเข้าออกเท่านั้ น, นที่จใจที่เป็นสมาธิประพุทธเจ้าตราต ร, รู มองดูจิตนิสัยของแต่และท่านแต่และคนมันไม่เหมือนกันบางท่านบางองค์บางคนที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่ทำให้จิตใจเป็นสมาธิได้นึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุเอาพระคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องบำรงจิตใจมาเป็นเครื่อง ให้กำลังใจในขณะที่น้อมนึกถึงพุทธคุลธรรมคุณสังคกุณอันนียสามารถที่ทําให้จิตใจเป็นสมาธิไปได้พุทธคุณอยากบรรดาครัวจารยกนี่จะใหม่นี่หลวงปู่เสาร้องปู่มันนํามาฝึกนํามาปฏิบัติเห็นได้ชัดว่าพุทธผลคือนึกพุทโธธรรมกุลนึกธรมโมสังคกุณนึกสังโธ พุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆเห็นคุณค่าในสิ่งทีง่พระพุทธเจ้าสอนว่าอันนั้นเป็นสรระที่พึ่งจิตใจของมวลหมู่มนุษย์ัตว์ทั้งหลายพวกเรานึกพุโทโธธัมโมสังโฆมั่นใจว่าเป้าคณของพระพุทธเจ้า พระคุณของพระธรรมพระคุณของพา ร, รียะสงนั่นอยู่ที่ใจและรวมนึกอาพุทธโธพุทธโธคำเดียวที่น่ยพุทธโธคือพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณความดีของพระพุทธเจ้าก็คือพระ อ, องค์ท่านพระทยัยหรือว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าความทุกข์ เนดหนึ่งไม่เบมีแต่ความสุขเลอเลิศประเสริฐอยู่ในพระทัยของพระท่านจะนั้นการนึกถึงพุโทโธพุธโทโธในขณะเดียวกันแล้วก็น้อมใจของเราเนี่ยให้มีความสุขให้มีความสบายเท่าที่พวกเราจะน้อมความดีความสุขความสบายให้เกิดขึ้นกับใจของเราในขณะ น, นั้น เราน้อมให้มีความสุขความสบายได้ดีมากน้อยขนาดไหนอั น, นันอเป็นปัจจเดเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนปัจจุบันนเหตุปัจจุบั น, จจบนผลในขณาดนั้นทําใจให้สบายจบายพระพุทธเจ้าเพราะพวง์ท่านใจสบายการน้อมทําใจให้สบายนึกพุทโธพุทโธจึงเป็นแนวทางปฏิบั ต, บติพวกเรา ชาวปุเอาปัจจุบันในขณะ น, นี้ปัจจุบันในขณะนี้ก็ไม่มีอะไรอย่างว่าเรานอบพุตโธพุตโธ ท, ทําใจให้เข้าถึงพระคุณปราพุทธเจ้าพระคุณมีแต่ความสุขความสบายพระคุณของพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันกับอย่างบ้านละทําใจของเราให้สบายสบา ย, บายตั้งตติดับตานึกพุทธโธพุทธโธเป็นส่วนประกอบเขา หน้าที่ของพวกเรา <c oughs> ทำยังไงจะเข้าใจถึงหลักศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้หลักศีลธรรมที่จะให้เป็นประโยชน์สำหรับจิตใจอันนั้นคือ ให้เกิดขึ้นมีขึ้นทาให้เกิดให้เป็นขึ้นทางจิตใจอย่างที่ท่านสอนฝึกความสงบใจของพวกเรายังไม่สงบจากอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งตามกระแสอารมณ์ที่เลตันหา อารมณ์ของความเป็นสมาธิคือความสงบน่นะนะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถึงยังไงยังไงก็ให้เห็นโทษในสิ่งเที่ใจของพวกเรามีปัญหามากน้อยมันไม่ได้เกิดจากอันอื่น เกิดขึ้นจากแรงฤทธิของกิเลสตัณหาฝ่ายต่ำฝ่ายชั่วที่มันมีอยู่จิตใจทำให้จิตใจของพวกเราหลงอารมณ์ประเภทนั้นกลัวจะรู้ตัวมันเกินยากพอตำกว็นถึงจะยากหน้าที่ของพวกเราเพื่อ เรียนรู้มีความเจริดในเหตุในผลที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ด้วยความเมตตาด้วยความสงสารมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายรวมพวกเราเขาด้วยสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอันนั้นมันไม่ดีเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมเราต้องตั้งสัจจะขึ้นชื่อว่าทำความชั่วรู้ตัวแล้วเราไม่ต้องทา โดยเฉพาะเทศกาลเข้าพรรษาในขณะนี้เป็นเทศกาลเข้าหาความดีที่จะเกิดประโยชน์สุขทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าอยื่หน้าที่ของพวกเราให้เข้าใจความหมายการฟังการฝึกการปฏิบัติ ผ่านเข้าใจหน้าที่ของพวกเราเอาวันนี้เห็นว่าพอําควรเจตเวลาเลิกเปลี่ยนนี้บทกลงไกของเราเอาที่เนี่ย <c oughs> พวกโยมเลิกไปก่อน <c oughs>